ข้อความในมิลินทปัญหาหน้าหนึ่งรยหสิบเก้ากรณียาปัญหาปัญหาที่ไม่สมควรตอบหรือปัญหาที่ไม่จําเป็นต้องตอบนั่นแหละอภยกรณียาเนี่ยหมายเขาว่าไม่ไม่ต้องตอบอะนะแต่ก็พระเจ้ามิลินก็ยังผูกมาเป็นปัญหาจนได้พระเจ้ามิลินได้ถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธิข้อความนี้ไว้ว่านัทธานันทะตถาคตัตสะธรรมเมสุอจรรยมุติดูก่อนอนนกำมือแห่งอาจารย์ในธรรมทั้งหลายย่อมไม่มีแกตถาคต ด, ดังนี้คือแปลว่าพระพุทธเจ้านี้สอนโดยที่ไม่เก็บเอาไว้เลยไม่มีเงื่อนมีงาอ่าที่บางบางอาจารย์บางท่านก็บอกว่ามันจะต้องเก็บเคล็ดเอาไว้สิคำนั้น เรียกว่าเก็บทีเด็ดของอาจารย์เอาไว้แต่พระพุทธเจ้าไม่มีแปลภาษาไทายเรียกไม่มีทีเด็ดของอาจารย์ที่เก็บเอาไว้เมื่อเอาไว้ปราบลูกศิษย์พยศเนี่ยนะหมายความว่าสอนไม่หมดอ่ะเพราะยังไงในที่สุดมัต้องกลับมาหาเราอีกพระพุทธเจ้าไม่เป็นแบบนั้นก็คือบอกบอกแบบสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือเขาเรียกว่ากรรมมือแห่งอาจารย์ไม่มีอาจาริยมุติเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในกรรมมืออาจารย์แปล ว, ว่าปล่อยหมดเลยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ แ ล, และอีกครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยพอพระมาลุงกยบุตรเถระทูลถามปัญหาพระองค์ก็ไม่ตรัสรัตน์คือไม่ตอบคื อ, อคือมิอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระมาลุงกยบุตรเนี่ยนะท่านคิดเลยในใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตอบเลยว่า ส, สัตว์โลกเนี่ยตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือว่าเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยตอบคําถามอันนี้เลย เดี๋ยวครั้งนี้เราจะไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ถ้าพระองค์รู้จริงก็ขอให้บอกถ้าไม่รู้ก็ให้บอกว่าไม่รู้คือคือเก็บไว้ทําไมคือคือแกล้งไม่ตอบเฉยๆไม่รู้จริงก็ต้องบอกว่าไม่รู้สิรู้ก็ต้องรู้ก็บอกมาสิถ้าพระองค์ไม่ตอบเราเราจะสึกถ้าตอบเราจะบวชอยู่ต่ออ่าก็มีทีเด็ดนะเสร็จแล้วก็ไปคุยกับไปถามพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เล่าทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟังเอาแล้วพระองค์ก็บอกว่า เออเราเคยทําสัญญากับเธอไว้ไ ห, ไหมว่าท่านจะตอบปัญหานี้ถ้าทําไม่ตอบแล้วเธอจะสึกเคยคุยกันไว้ไ ห, ไหมบอกไม่เคยคุยเอาแล้วเธอมาร้องเรียกหาอะไรจากไข่ของมันเสร็จล้พงศ์ก็แสดงทําให้ฟังก็คือปัญหาอันนี้นั่นแหละคือคือพระพระงค์ยังไงพระองค์ก็ไม่ตอบอีกวันยังข้ามอะสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีตกลงเป็นยังไงก็สัตว์มันมีจริงไหมล่ะ อะไรเป็นสัตว์ล่ะรูปใช่ไหมเป็นสัตว์เบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมเป็นสัตว์แล้วสัตว์ไหนเกิดสัตว์ไหนตายละ่ะมันมันคิดตามไม่ได้เป็นปัญหาของคนบ้าเขาบอกงั้นเป็นปัญหาของมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ตอบมันหรอกทีนี้าจากเรื่องสองเรื่องเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบคําถามของพระมาลุงกยบุตรกลับบอกว่าไม่มีอะไรในกำ ม, มืออาจารย์เนี่ยพระขุนเจ้านากเกษตปัญหานี้ จะต้องเป็นปัญหาที่อาศัยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในเหตุสองอย่างคือพระองค์ไม่ตรัสพยากร์เพราะไม่ทรงรู้ไม่ทรงรู้หรือหรือไม่พระองค์เนี่ยทรงทําให้เป็นความลับรู้ไม่จริงหรือว่าไม่รู้หรือว่าเก็บงามมาไว้เป็นทีเด็ดอาจารย์อย่างที่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่พระคุณเจ้านาเกษตถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า กรรมมือแห่งอาจารย์ในธรรมทั้งหลายย่ยอมไม่มีแก่ตถาคตถ้าจริงอย่างนี้ไซถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าพระองค์ไม่ทรงรู้จึงไม่ทรงตรัสพยากรณ์แก่ท่านพระมาลุงกยบุตรเถระถ้าหากว่าทรงรู้ก็ยังไม่ตรัสพยากร์แก่พระมาลุงกยะเถระ rd, จริงไซถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าพระตถาคตยงังทรงมีกรรมมือแห่งอาจารย์ในธรรมทั้งหลายอยู่ปัญหานี้เป็นปัญหาสองเงื่อนวลา เป็นปัญหาสองเงื่อนตกมาถึงแก่ท่านโดยลำดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอท่านจงทําลายตาข่ายมิจฉาทิฐิเถิดนะช่วยทําลายมิจฉาทิฐิด้วยเนี่ยนะคือจริงๆแล้วก็คือจากคําถามคําตอบก็ยุรู้อยู่ว่าลึกๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไม่ขัดรอพระพุทธเจ้าตรัสถูกต้องสมบูรณ์แล้วแต่ว่าจะทํำยังไงปรับความเข้าใจอย่างไรโดยที่ไม่ขัดคําสอนทั้งสองประการเนี่ยนะ พระนาคเสนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาปิฏพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิทธความข้อนี้ไว้ว่าดูก่อนอ น, นุกรรมมือแห่งอาจารย์ในธรรมทั้งหลายย่อมไม่มีแต่ตถาคต ด, ดังนี้จริงพระองค์ไม่มีรับลมคมในไม่มีนอกมีในแบบว่าถ้าคนพิเศษให้มากหน่อยคนไม่พิเศษให้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีหรอกแต่ว่าข้อที่ไม่ตรัสรัตน์ปัญหาที่พระมาลุงกยบุตรเถระทูลถามนั้นน่ะไม่ใช่เพราะ พระองค์ไม่ทรงรู้ไม่ใช่เพราะจะทรงทําให้เป็นความลับนะไม่ใช่เนี่ยนะที่พระองค์ไม่ตอบเพราะอะไรมาดูว่าขอถวายพระพรปัญหาพยากรณ์การตอบปัญหาการแก้ปัญหามีอยู่สี่อย่างด้วยกันปัญหาพยากรณ์หรือการตอบปัญหาสี่อย่างมีอะไรบ้างหนึ่ง ปัญหาบางอย่างเป็นเอกังสะพยากรณียปัญหาแปลว่าปัญหาที่พึงพยากรโดยเสียงส่วนเดียวตอบเพ่ไปเลยทันทีปัญหาอย่างที่2บอกว่าปัญหาบางอย่างเป็นวิพัชนพยากรณียปัญหาปัญหาที่จะต้องแยกแยะแล้วค่อยพยากรคือจําแนกแยกแยะเสียก่อนแล้วค่อยพยากรเห็นไหมตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้ต้องแยกตอบเคือเป็นปัญหาที่ต้องแยกตอบ สามปัญหาบางอย่างเป็นปฏิปุจชาพยากรณียปัญหาเป็นปัญหาที่ย้อนถามเสียก่อนแล้วค่อยพยากรณ์เนี่ยนะสอบถามผู้ถามเขาก่อนว่าผู้ถามเขาประสงค์อะไรกันแน่ถามให้มันชัดเจนซึ่งปัญหาก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาสุดท้ายปัญหาบางอย่างเป็นทปนัญญาปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องเฉยซะไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปหลอดต่อล้อต่อคําเนี่ยนะไอ้ฟ้านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไงท้องฟ้านะอย่างงี้คุยด้วยไม่ได้แล้วนะ ใช่ไหมปัญหาประเภทนั้นคุยด้วยไม่ได้สรุปอธิบายเพิ่มเติมทิสดาลว่าขอถวายพระพรเอกังสะพยากรณียาปัญหาเนี่ยเป็นไงนะปัญหาที่มีผู้ถามมารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นปัญหาที่พึงพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ส่วนเดียวทันทีเลยว่า ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบทันทีเลยว่าไม่เที่ยง น, นะนะเป็นปัญหาเนี่ยเรียกว่าเอกเอกังสะพยากรณียปัญหาันในอัตกระถาอธิบายคําว่าเอกังสะพยากรณียปัญหาแปลว่าปัญหาที่ต้องพยากรณ์หรือตอบโดยส่วนเดียวพยากรณ์แปลว่าตอบความว่าเป็นปัญหาที่พึงเฉลยได้โดยส่วนเดียวไม่ต้องตั้งเป็นสองแง่ ก็ไม่ต้องไปตั้งแง่ตั้งเงื่อนไขต้องอะไรตอบเพะไปเลยอ่าเรียกว่าตอบโดยฉับพลันรรทันทีที่จบคําถามว่าใช่หรือไม่ใช่แค่ตอบ y ย s หรือ no พอละใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แค่นี้แหละต้องการคําถามคําตอบแค่นั้นแหละเพราะฉะนนั้หรือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจริงหรือไม่จริงมีหรือว่าไม่มีไม่ต้องไปสองเงื่อนสองแง่สองง่ า, องงามอะไรสักอย่างเพราะตามเรื่องที่ถามไม่ต้องการมีการแยกแยะไม่ต้องการคาแยกแยะอะไรทั้งนั้น ตอบตรงๆไปเลยเช่นรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าอันนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยว่าเป็นทุกข์เป็นตนเนี่ยนะปัญหาประเภทนี้เรียกว่าเอกังสะพยาการณียปัญหาเพราะฉะนั้นคําที่ถามว่ารูปเที่ยงหรือมไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นเอกังสะพยาการณียปัญหาเพราะพึงพยากรณ์ได้โดยส่วนเดียวว่าใช่เพราะขึ้นชื่อว่ารูปที่มีรูปเนี่ย มีส่วนเป็นของเที่ยงได้บ้างแม้สักนิดหน่อยหามีไม่มีนิดเดียวที่มันเที่ยงก็ไม่มีนิดเดียวก็ไม่มีเลยนะความเที่ยงของรูปรูปทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงแม้คําถามว่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เหมือนกันไม่มีหรอกเ ว, เวทนาสักเล็กสักน้อยสักนิดสักหน่อยที่เป็นของเที่ยงไม่มีสัญญาสังขารและวิญญาณสักน้อยหนึ่งที่เที่ยงก็ไม่มีนะี่ยนะ มันคำถามแบบนี้ตอบได้ส่วนเดียวนะใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองเพราะว่าคำถามคำมตอบมันชัดเจนอยู่แล้วส่วนคำถามอย่างที่สองที่ต้องตอบเนี่ยนะเอ่อจะแยกตอบก็คือวิพัฒน์ชกกรณียะปัญหาเป็นไนะปัญหาที่ว่าสิ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงคือรูปหรือเป็นปัญหาที่จะต้องแยกแยะพยากรว่าปัญหาปัญหาที่เขาถามว่า สิ่งที่ไม่เที่ยงคือเวทนาใช่ไหมแยกตอบนะสิ่งที่ไม่เที่ยงคือรูปใช่ไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงคือเวทนาใช่ไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงคือสัญญาใช่ไหมคือคำถามยกมาแค่คำถามเดี๋ยวว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงคือวิญญาณใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าคำถามอันนี้เป็นปัญหาที่แยกพยากรณแยกพยากร์นี่แยกพยากร์ว่าอย่างไรเขาบอกว่าวิพัวิัชพยากรณียปัญหาเนี่ยนะแยกแยะพยากร์ความว่า เป็นปัญหาที่ไม่อาจฉเฉลยได้โดยส่วนเดียวทว่ามีอันต้องแยกประเภทเสียก่อนเพราะมีหลายอย่างโดยนัยเป็นต้นว่าหาใช่ธรรมะนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้แม้ธรรมะอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างที่ก็บอกว่าอะไรนะคิดง่ายๆอย่างพระเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถถามพระช น, นะเนี่ยนะว่าเขาบอกว่า คนเนี้ยนี่นี่เาเรียกอะไรเรียคนแก่พระเจ้าข่าบอ่าเออคนแก่หรือโอ้นี่สภาพของความแก่มันเป็นอย่างนี้หรือเ อ, อ่อคนนี้แก่แค่นี้ใช่ไหมมีแต่คนนี้ใช่ไหเท่าแก่บอกไม่ใช่พระองค์ก็แก่ใครก็แก่เขาแก่กันทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพระโอรสพระธิดาหรือใครต่อใครในโลกนี้เกิดมาแก่หมดวางงา่าังกันโอ้เนี่ยเรียว่าแยกตอบเลยก็คือแยกแยกแล้วค่อยตอบไม่ใช่อย่างเดียวนะมันมีอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นลักษณะนี้ คือแยกแปลว่าจำแนกเนี่ยนะคือจำแนกในที่นี้แปลว่าขยายความเพิ่มคือมีขยายความเพิ่มไม่ใช่อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ต้องขยายความเพราะฉะนั้นคําที่ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงคือรูปหรือจึงเชื่อว่าวิพัฒชะ พ, ชพยาการณียาปัญหาเพราะจะต้องแยกเฉลยอย่างนี้ว่าคําว่าแยกในที่นี้เนี่ยแยกแยกตัวนี้นี่แปลว่าขยายพิสดารจำแนกนั่นเองเป็นปัญหาที่จ้องจำแนก จำแนกตอบหรือแจกแจงตอบเนี่ยนะไม่ใช่แยกแยะตรงนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบหมายว่าผาพาไม่ใช่นะคือขยายความให้พิศดารขึ้นกระจายขึ้นนั่นเองว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงหาใช่เฉพาะรูปเท่านั้นไม่ใช่รูปเท่านั้นหรอกที่ไม่เที่ยงแม้เวทนาก็ไม่เที่ยงแม้สัญญาก็ไม่เที่ยงแม้สังขารก็ไม่เที่ยงแม้วิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นต้นคือก็อย่างที่ทวนอีกครั้งว่าถ้ามีคนมาถามมารูปรูป รูปเท่านั้นคือสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือบอกไม่ใช่เวทนาก็ไม่เที่ยงนะสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเขาเรียกว่าวขยายความตอบนะนะคำตอบที่ต้องอธิบายอันนี้เขาเรียกว่าวิพัฒชกรณียปัญหาเป็นปัญหาที่ถามแล้วต้องอธิบายเพิ่มเติมนะปัญหาอย่างที่สามปฏิปุชาพยาการณียปัญหาเ ข, เขาถามว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะ คือบุคคลรู้สิ่งทั้งปวงได้จากด้วยจกักษุหรืออันนี้ต้องถามเสียกรแล้วค่อยตอบนะเขาบอกว่าสิ่งทั้งหมดรู้ด้วยตาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใช้ตารู้ทั้งหมดใช่ไหมถ้าคำถามแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าปฏิปุชชาพยาการณียปัญหาแปลว่าปัญหาที่จะพึงย้อนถามแล้วค่อยค่อยตอบค่อยพยากรความว่า คำถามบางอย่างผู้ถามไม่ได้ระบุถึงสิ่งที่ประสงค์จะรู้ให้แน่ชัดว่าคืออะไรเพราะสิ่งอื่นที่มีชื่ออย่างเดียวกันกับสิ่งนั้นมีหลายอย่างด้วยกันผู้ตอบถ้าหากว่าไม่ย้อนถามให้มีการระบุให้แน่ชัดเสียก่อนถ้าเกิดต่อไปทันทีที่เขาถามมาเหมือนอย่างเอกังสะพยาการณิยะปัญหาก็อาจตอบไปโดยไม่ตรงตามที่ผู้ถามประสงค์จะรู้หรืออาจทำให้เขาเข้าใจผิดได้ เพราะฉะนั้นจึงจำต้องย้อนถามผู้ถามให้ระบุให้ชัดเจนเสียก่อนว่าอย่างเช่นคาว่าจักู่ที่เขาถามว่ารู้ทุกสิ่งด้วยจักสู่ใช่ไหมเอ๊มต้องถามว่าตาไหนอีกทีหนึ่งนะก็เลยบอกว่าอย่างเช่นการที่ที่ย้อนถามเพื่อเพื่อขอความชัดเจนในคำถามเรียกว่าปฏิ ป, ปชา้าพยาการณียปัญหาเพราะฉะนั้นคาถามนี้ว่าบุคคลรู้สิ่งทั้งปวงด้วยตาหรือ จึงเชื่อว่าปฏิปุชาพยากรณียาปัญหาเพราะสิ่งที่ชื่อว่าจักโุหรือตาเนี่ยนะมีหลายอย่างจักโสห้าใช่ไมหนึ่ปภาษาท่าจักสุภาษาท่จักสุก็คือตาจักขูภาษาทะตาทิปเรียกว่าทิปจักสุปัญญาจักสุก็เรียกว่าตาปัญญาปัญญาจักสุแล้วก็ยังมีอีกพุทธจักสุแล้วก็มีสมันตะจักสุ เนี่ยนะถ้าปกติบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุเนี่ยนะอันนี้คํานี้แปลว่าพระองค์มีจักสุห้าหนึ่งมังสะจักสุสองเทพจักสุสามยาณจักสุส่สมันตะจักสุและสุดท้ายคือพุทธจักสุเนี่ยนะเขมีจักสุห้ามนบุคคลรู้สิ่งทั้งปวงด้วยจักสุหรือก็ต้องถามว่าหมายถึงตาไหนในตาห้าจักสุมีตั้งห้าอย่างทั่วในครั้งหนึ่ง มังสะจักสุสองทิพจักสุสามยาณจักสุสี่พุทธจักสุห้าสมัญตะจักสุจะเอาข้อไหนล่ะผู้ถามว่าหมายถึงจักสุข้อไหนตาไหนดีในบรรดาตาห้าประเภทเนี่ยนะไม่ใช่ตาปลาแน่นอนนะพันการที่จะตอบคําถามให้ตรงคําถามเนี่ยจะต้องย้อนถามเสียก่อนว่าท่านพูดถึงจักสุอะไรเล่าถ้าเขาตอบว่าภาษาท่จักสุก็ตอบว่าไม่ใช่ ทุกคนรู้เหุรู้สิ่งทั้งปวงโดยใช้ตาเนื้อใช่ไหมบอกไม่ใช่บวกลบคูณหารใช้ตาเนื้อรู้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะพันจะตอบว่าไม่ได้หรอกเพราะแต่ถ้าบอกว่ารู้สิ่งทั้งปวงด้วยปัญญาจักสุใช่ไหมถ้าอย่างนี้นตอบได้นะตอบได้ว่าใช่เพราะมีอะไรบ้างทีป่ปกปิดปัญญาได้บ้างโดยเฉพาะพุทธจักสุกับสมันตะจักสุกนี่ไม่มีอะไรจะปกปิดได้อยู่แล้วเนี่ยนะพนพันก็ ตอบได้ทันทีอันนี้เรียกว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่าปฏิปฏิปฏุจชาพยาการณียะแปล ว, ว่าถามเข้าให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยตอบว่าเข้าอยากถามอะไรเพราะถ้าหากว่าเราถาม เ, าเข้าถามแล้วเรารีบตอบไปเลยเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่หลายอย่างที่พระสมิทธิ์ที่ตอบปัญหาอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตําหนิก็คือพระสมิทธิที่รีบตอบเพลินไปรีบตอบเนี่ยนะ มีอยู่ในชื่อถ้าจําไม่ผิดก็สมิที่สูตรเนี่ยพระสมิทธตอบปัญหาไปแล้วพระพุทธเจ้าตําหนิมากเลยเพราะว่ายัางไม่ไม่ได้จําแนกแยกแยะแล้วก็รีบตอบเนี่ยนะรีบตอบเกินไปเพราะยังไม่ได้ให้มันชัดเลยว่าเขาถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตอบไปมั่วไปหมดอย่างเงี้ยนะส่วนสุดท้ายเรียกว่าถปณิยะปัญหาถปณิยะปัญหาแปล ง, ง่ายๆว่าไม่ต้องตอบอ น, นะถะปณิยะปัญหา ถ้าปนญญาปัญหาเช่นคำถามที่ว่าโลกคือสัตว์โลกเนี่ยยั่งยืนหรืออันนี้ก็ต้องพักไว้ไม่ต้องตอบสัตว์โลกไม่ยั่งยืนหรือข้อสามบอกว่าคือคำถามอ่ที่หนึ่งนะโลกยั่งยืนหรือหมายถึงว่าสัตว์โลกยั่งยืนหรือถ้าตอบถ้าตอบว่าใช่เป็นสัสตตติธิข้อสองเนะี่ยบอกว่าโลกไม่ยั่งยืนหรือถ้าตอบว่าใช่อุเฉทติิ โลกมีที่สุดหรือถ้าตอบว่าใช่ก็เป็นอนันตทิฐิเนี่ยนะถ้าโลกไม่มีที่สุดก็เป็นอันตทิฐิถ้าบอกว่าโลกมีที่สุดก็ไม่มีไม่มีที่สุดก็ไม่ก็ไม่มีหรือถ้าตอบก็เป็นอันตานันติกะทิฐิข้อหบอกว่าโลกมีที่สุดใช่ไหมโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นกลุ่มอมราวิเขปะไปเนี่ยนะ หรือว่าชีพก็อนันต์สิรีระก็อันนั้นใช่หรือถ้าตอบเป็นอุเฉทิฐิถ้าตอบว่าใช่ถ้าเป็นอุเฉชีวะก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งหรือถ้าตอบว่าใช่เป็นสัสตตทิธิหลังจากตายสัตว์มีอีกหรือถ้าตอบว่าใช่สัสตทิธิถ้าตอบว่าหลังจากตายสัตว์จะไม่มีอีกหรือถ้าตอบว่าใช่อุเฉทิธิ หลังจากตายแล้วสัตว์อีกก็มีมีอีกก็ก็ก็ไม่ใช่ไม่มีอีกก็ไม่ใช่หรือถ้าตอบนี้ก็เป็นอมราวิเขปะประไล่เนี่ยนะหลังจากตายสัตว์มีอีกก็ไม่ใช่ไม่มีอีกก็ไม่ใช่หรืออันนี้ก็กลุ่มประไลเหมือนกันเออเข้าไปนะสัตว์หลังจากตายจะมีอีกก็ใช่ไม่มีอีกก็ใช่อันนี้ก็บางอย่างก็พวกนี้สลับกันไป ก็บางอย่างอุเฉกที่เรียกว่าเอกจักสมัสตตทิฏฐินะไอ้ตัวเนี่ยหลังจากตายสัตว์มีอีกก็ใช่กับไม่มีอีกก็ใช่นี่เป็นเอกจักสมัสตตทิฏฐิอย่างบางคนก็บอกว่าเราไม่เที่ยงอันหรอกแต่ผู้สร้างเนี่ยเที่ยงอันนี้เรียกกลุ่มเอกจักสมัสตตทิฏฐิสัตว์หลังจากตายแล้วจะมีอีกก็ไม่ใช่ไม่มีอีกก็ไม่ใช่หรือถ้าตอบว่าใช่เป็น อ, อมาราวิเคปทิฏฐิมั้นปัญหาถ้าตอบตามที่เขาถาม ตกมิชาทิฏฐิหมดเลยก็เลยบอกว่านี่ชื่อว่าถามปัญยปัญหาไม่ต้องถามไม่ต้องตอบขอถวายพระพรปัญหาของท่านพระมาลุงกะยะบุตรเทระนั้นเป็นถัมปัญยปัญหาพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสากรณ์ก็เพราะเหตุไรเล่าปัญหานั้นจึงเป็นปัญหาที่เพึงพักเอาไว้ก็ตอบว่าก็เพราะเหตุหรือกัณะก็คือเหตุที่จะตรัสเฉลอยปัญหานั้นไม่มีเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงพักปัญหานั้นไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายไม่ทรงมีการแต่งพระวาจาอย่างปราศจากเหตุปราศจากกรนะกรนะก็คือเหตุอีกนั่นแหละคาอธิบายเพิ่มเติมที่บอกว่าทะปนิยะพยาการณิยะปัญหาแปลว่าปัญหาที่พึงพักเอาไว้คือพึงนิ่งเฉยไม่พึงพยากรไม่ต้องตอบ อธิบายว่าคำถามบางอย่างเป็นคำถามที่ผู้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะประมัทอะไรโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีอยู่จริงด้วยอำนาจมิตรชาทิฏฐิความจริงมันไม่มีอย่างนั้นนะแต่สำคัญว่ามันมีเข้าแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่ไม่มีแหละมาถามถ้าใครตอบอะไรจะเกิดขึ้นเช่นคาถามที่เกี่ยวกับอัตราสัปตะปุคละ ผู้สเสวยทุกสเสวยสุขหรือเกี่ยวกับความเป็นไปของอัตตาเป็นต้นคำถามเห็นตานชนีจึงไม่ควรพยากร์ไม่ควรตอบไม่ควรเฉลยทว่าควรพักเอาไว้ควรนิ่งเฉยเสียเพราะอะไรเพราะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพราะฉะนั้นในปรัมมรณสูตรท่านพระมหากัสปะเมื่อถูกท่านพระสารีบุตรเถระถามเพื่อใครจะเทียบเคียงความรู้เขาเรียกว่าอะไรถามเพื่อจะเทียบเคียงนะหมายถึงว่า บันดิตด้วยการเข้าเข้าสนทนากนันนะเป็นหาหาข้อมาสนทนากันที่พระสารีบุตรถามว่ากินนุขโขอวุโสกัสสปะโหติตถาคโตปรมมรณาท่านกัสสปะหลังจากตายสัตว์จะมีอีกหรือตาถาคโตตัวนั้นแปลว่าสัตว์เบื้องแต่ตายแล้วตาถาคตจะมีอีกหรืออันนี้คําว่าตาถาคตแปลว่าสัตว์เนี่ยนะดังนี้เป็นต้น พระมหากระสปะก็ตอบว่าข้อที่ท่านถามว่าหลังจากตายสัตว์จะมีอีกหรือไรดังนี้พระพุทธเจ้ามิได้พยากรณ์ดังนี้เป็นต้นพราะงไม่ตอบนะทั้งสิบสองคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ตอบเลยเมื่อภาษาริบทก็ถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ตรัสพยากรณ์ทําไมไม่ตอบน่าจะตอบนั่นนะไหนๆเขาก็อุตส่าห์ถามแล้วตอบให้เขาหน่อยเถอะทำไมทำไมไม่ตอบน่าจะตอบให้เขาหน่อยไหนๆเขาอุตส่าห์มาถามเนี่ยนะ ธรรมหากัสสะเถระก็ตอบว่าเพราะว่าคําถามนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีประโยชน์ไหมถ้าตอบไปแล้วประโยชน์โลกนี้จะมีประกอบอาชีพได้ไหมอย่างนี้นะประโยชน์โลกน่าจะไปสวรรค์ได้ไหมใกล้ต่อการบรรลุนิพพานไหมใกล้ไหมจากถ้าเมื่อตอบคําตอบไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่ได้ประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ไหนๆก็ไม่ได้โดยประการทั้งปวง นนะก็แปลว่าเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนเห็นนะถ้าใครที่ถือเอาไปปฏิบัติตามรัฐที่มิจฉาทิฐิเหล่านั้นแล้วยิ่งจะเดือดร้อนต่อไปมาดูเพิ่มเติมหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าคำถามที่เป็นถัปนิยปัญหาเนี่ยนะ แปลว่าคําถามที่ไม่ควรตอบเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอบแล้วไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวประโยชน์ใดๆก็ไม่เกิดและขนาดเดียวกันไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคอะไรเลยแปลว่าไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่ได้เป็นเบื้องต้นที่ว่าถ้าตอบไปแล้วศีลจะเจริญสมถะวิปัสสนาจะเจริญแต่ตอบไปแล้วมีแต่จะเป็นมิจฉาทิฐิหนักๆขึ้นไปเท่านั้นเองการตอบคําถามอันนี้ ที่ไม่ตอบเนี่ยนะเพราะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายจากวัตทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพิทานเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อคลายตัณหาคืออริยมรรคไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อดับตัณหาคือนิพพานเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบตัณหาคือพระนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความพร้อมเพื่อจะตรัสรู้ยิ่งธรมที่ควรรู้ยิ่งคืออริยมรรคถ้าตอบไปแล้วไม่เป็นไปพร้อมเพื่อจะรู้ อริยสัจไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพานสรุปว่าคําถามที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิทุกคาถามไม่ได้เป็นไปเพื่อศีลสมาธิวิปัสนาฌานอภิญญามัติผลไม่มีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ใดๆก็ไม่มีเลยที่ที่คำถามที่เป็นถาปณิยปัญหาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไม่พยากรนอกจากหาประโยชน์ไม่ได้ตามประการดังกล่าวแล้วยังเป็นเหตุเพิ่มพูนมิจฉาทิฐิให้มีกำลังมั่นคงยิ่งยิ่งต่อไปอีกอนะก็อย่างเช่นอย่างที่บอกว่าทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสัตว์โลกเนี่ยยั่งยืนหรืออะไรเป็นสัตว์ะรูปใช่ไหมเป็นสัตว์ เวทนาใช่ไหมเป็นสัตว์สัญญาใช่ไหมเป็นสัตว์สังขารใช่ไหมเป็นสัตว์หรือว่าวิญญาณวิญญาณนักขันเนี่ยเป็นสัตว์สัตว์บุคคลอัตตาปุคละเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แล้วถามว่าอะไรคือสัตว์เมื่อสัตว์มันไม่มีแล้วจะตอบว่าสัตว์เที่ยงหรือสัตว์ศูนย์ได้ยังไงจะว่าสัตว์มีหรือไม่มีได้อย่างไรสรุปแล้วสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดทำไมสัตว์ไม่มีนะ ขันห้ามีอยูอ่ถ้าวิญญาณจุติแล้ววิญญาณปฏิสนธิต่อได้ไหมวิญญาณนะวิญญาณจุติแล้วปฏิสนธิได้ไหมถ้าปัจจัยคือสมุ ท, ทยัยเหตุแห่งปฏิสนธิวิญญาณมีอยู่วิญญาณก็ปฏิสนธิต่อเฉพาะต่อไปอีกได้ถ้าไม่มีปัจจัยวิญญาณก็ปฏิสนธิไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือถ้าอย่างเงคําถามของพญมกษ์เนี่ยนะ ท่านมีทิฏฐิอันลามมกขึ้นว่าผ้าอรหันต์ตายแล้วศูนถ้ามีคำถามว่าผ้าอรหันต์คืออะไรนนะรูปใช่ไหมเป็นผ้าอรหันต์เวทนาใช่ไหมเป็นผ้าอรหันต์สัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นผ้าอรหันต์ขันขันไหนเป็นอรหรันต์คืออรหันต์ในความความเห็นของพระพญมกเนี่ยนะหมายถึงสัตว์ พันในปัจจุบันก็หาสัตว์ไม่ได้แล้วจะบอกว่าสัตว์ตายแล้วศูญได้ยังไงท่า น, นก็คา ำ, ำพูดนั้นก็เลยผิดถ้าใครบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เนี่ยพื้นฐานอันนั้นเป็นมิจฉาทิฐิทําไมจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิอรหันต์ของเขา่าคืออะไรแม้แต่เบื้องต้นในความเป็นขันห้าเขายังไม่เข้าใจการที่จะไปเดินตามคําถามเหล่านั้นโดยมากพลาดเกือบทั้งนั้นเลยเห็นไหม ครั้งแรกสัตว์มีตั้งแต่เมื่อไรใครคิดตามก่อนเลยอีกน่นะพระองค์นี่จึงจึงขยายเป็นว่าขันห้าคืออะไรประกอบด้วยอย่างอย่างพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยจะประกาศอริยสัจ ย, ย่างชาติปิทุขขาชราพิทุขขามรณะปิทุกขักขงโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาพิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิตชังนราปิตามิทุขขัง มีแต่ทุกข์เกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พลาดพลากจากของรักก็ทุกข์ความคับแค้นใจก็ทุกข์มันมีแต่ทุกข์ทุกข์เออไอทุกข์ทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันคืออะไรบอกรูปทุกข์เวทนาก็ทุกข์สัญญาก็ทุกข์รูปคือตัวทุกข์เวทนาคือตัวทุกข์สัญญาคือตัวทุกข์สังขารก็คือตัวทุกข์วิญญาณก็คือตัวทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้บอกว่าสัตว์คนนัั้้นนนนทททุุุกกกก์สตตววคีแ่่พรอบาูปปเ็ อันนะทำไมรูปจึงเป็นทุกข์ล่ะเพราะรูปไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะรูปจึงเป็นทุกข์แล้วถามว่ารูปไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วเป็นใครอ่ะรูปเป็นใครรูปคือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยรูปอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเพราะสัตว์จึงไม่มีแต่วหารว่าสัตว์มี แหววหารคำว่าสัตว์เนี่ยมาจากนิยามว่ า, าขันใดที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งตัญหาที่เรียกว่าอุปาทานะขันขันที่ยังถอนตัญหาไม่ได้ขันนั้นเรียกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะยังยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารและยึดวิญญาณขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเมื่อมีตันหายึดขันไอนามของโวหารว่าผู้ยึดนั่นแหละเรียกว่าสัตว เพราะคำว่าสัตว์ก็คือแปลว่าผู้ติดข้องเนี่ยนะโดยโวหารปุคลกะกถาปุคลกะกถาเป็นคําพูดที่พูดโดยอย่างที่ครั้งแรกในมิลินะปัญหาเนี่ยชัดพระคุณเจ้าท่านชื่ออะไรบอกชื่อน่าเกษผมใช่ไหมเป็นน้าเกษไม่ใช่เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นใช่ไหมเป็นน้าเกษบอกไม่ใช่เอ๊ท่านไงถามครั้งแรกบอกว่าท่านชื่ออะไรบอกน้าเกษพอถามแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ งั้นทั้งโมเสสสิพูดใม่จริงตลบตะแลงกันตอนนี้นะก็คือคือถ้าถ้าเป็นคําถามที่ที่คนที่ไม่ไปพิจารณาอะไรโดยรอบอย่างคําถามว่าอา้าวพระ อ, องค์มาด้วยอะไรละ่ะโอ้มาด้วยรถเอ่อพระองค์เนี่ยมาไกลเนี่ยคงจะเด็ดเดินมาเดินทางมาลําบากเหน็ดเหนื่อยสินะบอกไม่ข้าพเจ้ามาด้วยรถอะไรเป็นรถลอ้อใช่ไหมเป็นรถไม่ใช่อ่อหมายว่าทูบใช่ไหมเป็นรถบอกไม่ใช่แอกใช่ไหมเป็นรถไม่ใช่ เอางั้นก็มูสาผู้องค์เป็นกษัตริย์หลอกได้ยังไงเนี่ยบอกว่ามารถถามหาก็บอกไม่มีรถก็บอกโอ้องค์ประกอบรวมๆกันแบบนี้โวหารเขาเรียกว่ารถเออชั้นใดเนี่ยแหละอาศัยผมขนเล็บฟันหนงังเป็นต้นมาประชุมกันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณประชุมกันเขาเลยเรียกว่าหนาักเสนแค่นั้นนะนะอย่างก็ว่าองค์ทภสัมภาระอย่างคําว่าเมืองเนี่ยอย่างที่เขาเขาคุยกันเล่นๆบ่อยๆว่าเออไปกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมันอยู่ตรงไหน บอกนี่ไงป้ายว่ากรุงเทพก็นี่ก็กอไก่ก็แยกออกมาแยกกอไก่แยกขอไข่มันตรงไหนกันแน่กรุงเทพนี่คุยกันยังไงคําว่ารวมๆเขาเรียกว่าอะไรนะโบหานเป็นชื่อกล่าวขานกันเอาไว้เรียกกันเท่านั้นเองอย่างทีนี้ไอสิ่งที่เอาไว้เรียกกันเอาไว้พูดคุยกันกลายกลายเป็นไปเข้าใจผิดเข้าว่าเป็นจริงเข้าแล้วถามแล้วถามเช่นสัตว์เนี่ยไม่มีโดยประมัด แต่แต่สำคัญว่ามีแล้วมาถามว่าเออศัตว์เนี่ยตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกถ้าตอบว่าเป็นสัสตตะถ้าตอบว่าไม่เป็นอุเฉตเนี่ยนะพันอบอกว่าวิธีแก้ปัญหาเงียบเพราะอาการเงียบนี่คือการตอบปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีรับลมคมใน ม, มีอะไรหรอกเพราะว่าจะตอบอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์เพราะบางคนไม่ต้องการต้องการคาชี้แจงด้วย เขาอยากให้ตอบว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงแค่นั้นนะเขาอยากฟังแค่นั้นเพราไม่ตอบเนี่ยนะนั่นก็เลยเรียกว่า อ, อถ้าปณียะปัญหาเนี่ยนะเป็นปัญหาที่เงียบการเงียบเงียบนี่ก็ตอบปัญหาอย่างหนึ่งนะทือเรียกว่าตอบเรียบร้อยแล้ว อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะว่าปัญหาที่พระพุทธเจ้าตอบเนี่ยจะต้องมีเหตุจึงกระตอบถ้าไม่มีเหตุพระองค์ก็ไม่ตอบเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่พูดไม่แปลงวาจาที่ปราศจากเหตุอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเหตุหรือกัาณะที่จะทรงบอกตอบปัญหานั้นไม่มีความว่าเหตุนั่นแหละชื่อว่ากยาณะเพราะอัตถาว่ากระทำหรือสร้างผล ถ้าปณิยปัญหาเป็นปัญหาที่หาเหตุหาการณะเพื่อจะตรัดพยกรรไม่ได้อธิบายเพิ่มว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงพยการปัญหาย่อมทรงคำหนึ่งถึงประโยชน์ที่บุคคลดับตรัดคำพยการนั้นจะได้รับถ้าหากว่าพิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีประโยชน์พระองค์ก็ที่มีประโยชน์พระองค์ก็จะปรารบเหตุ เป็นการณะเพื่อจะตรัสพยากร์ถ้ามันมีประโยชน์พระองค์ก็ตอบถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ตอบเนี่ยนะไม่มีประโยชน์ไม่ว่าสร้างปัญหาเพิ่มเติมด้วยนี่สิยิ่งไม่ตอบเลยนะอย่างคำพูดของเดีร์ีที่ถามว่าสัตว์เที่ยงไหมเออสัตว์เนี่ยเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นเนี่ยคำถามแบบนี้เขาไม่ตอบกันพราะตอบอยังไงเขาก็ไม่เข้าใจ